รที่สุขโตตอนทุกขพาให้พ้นทุก์ได้เราทั้งหลายเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วประโยคนี้เราสวดทุกเช้าความป่วยความตายความพลัดพรากจากคนรักประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก นี่คือความทุกข์ที่อยู่เบื้องหน้าเรากําลังรอเราอยู่เราต้องเจอแน่นอนแต่ความทุกข์ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าเราเท่านั้นหากยังอย่างเข้าไปในเนื้อตัวเราเลยทีเดียวดังบทสวดที่ว่าเราเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์ที่อยู่เบื้องหน้าหมายถึงสิ่งที่เรายังไม่เจอยังไม่ประสบแต่เราจะต้องเจอแต่ว่าความทุก มันไม่ได้อยู่แค่ข้างหน้ามันอยู่กับเนื้อกับตัวเราเลยในตัวเรานั้นมีความเสื่อมความขัดแย้งกดดันบีบคั้นอยู่ทุกขณะเพียงแต่มันอาจจะยังไม่แสดงอาการออกมาเท่านั้นเช่นความเจ็บป่วยอาจกำลังรอที่จะแสดงอาการออกมาแต่จะออกมาหรือไม่ความทุกข์มันอยู่กับเราทุกขณะอยู่แล้ว ไม่มีชีวิตใดและไม่มีสิ่งใดที่จะหนีความทุกข์ไปได้แม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตเช่นสาลาเสาเรือนปาดจีวรพวกนี้มันก็มีความทุกข์ของมันอยู่เป็นทุกข์ประจาสังขารไม่ใช่ทุกขเวทนาความทุกข์นั้นไม่ได้หมายถึงทุกขเวทนาอย่างเดียวแต่หมายถึงสภาพที่มีความกดดันขัดแย้งอยู่ในตัว ร่องอยู่เป็นนิดทำให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเสาเรือนก็ต้องผุพังไปจีวรก็ต้องเน่าเปื่อยไปไม่มีอะไรที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับที่พระองค์ว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่ได้ขัดแย้งกันก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะหนีจากแรงดึงดูดได้ทุกอย่างต้องตกลงสู่ที่ต่าไม่ว่าจะเป็นขนนกหรือก้อนหินแม้แต่อากาศก็หนีแรงดึงดูดของโลกไม่ได้อย่างไรก็ตามเราก็ยังเห็นนกบินอยู่ได้ในอากาศเครื่องบิน สามารถลอยอยู่บนฟ้าได้นกและเครื่องบินลอยได้ไม่ตกลงมาอย่างพื้นโลกเพราะอะไรก็เพราะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้หลุดพ้นหรือเอาชนะแรงดึงดูดได้ในทำนองเดียวกันการหลุดพ้นจากความทุกข์ของคนเราก็เป็นไปได้เหมือนกันทั้งทั้งที่ความทุกข์นั้นอยู่กับเนื้อกับตัวเราและแสดงฤทธิ์เตจอยู่ตลอดเวลาก็ตาม ความทุกนี้ไม่ใช่ว่าเราสามารถจะเป็นอิสระจากมันได้เท่านั้นแต่เรายังสามารถที่จะใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ฟังดูก็แปลกนะเราสามารถใช้ความทุกข์เพื่อให้เราเป็นอิสระจากความทุกข์ได้จะเรียกว่าหนามยอกเอาหนามบ่งก็ได้หนามมันยอกเราก็เอาหนามนี่แหละบ่งเอาหนามออกมา ในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างเยอะเลยคนที่เจอความทุกข์แล้วก็อาศัยความทุกข์นี่แหละช่วยให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ตัวอย่างที่รู้จักกันดีก็คือนางปตาจารานางกีสาโคตมีทั้งสองคนตอนที่เป็นคราวาสได้ประสบกับความทุกข์เต็มที่เลยแต่ว่าความทุกข์นี่แหละที่เป็นตัวหนุนส่งตัวผลักให้หลุดจากความทุกข์ได้ คือทำให้ดวงตาเห็นธรรมนางปตาจาราเคยเป็นคนที่มีความสุขความสบายมากเพราะเป็นลูกเศรษฐีเรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาจากท้องแม่โตขึ้นก็ไปแต่งงานกับคนที่มีฐานะต่ำต้อยจึงต้องออกจากคารืหาดไปอยู่ในชนบทเสร็จแล้ววันดีคืนดีผัวก็ถูกงู ก, กัดตายต้องเอาลูกน้อยสองคนกลับบ้าน ระหว่างเดินทางกลับบ้านข้ามแม่น้ำซึ่งไหลเชี่ยวจึงวางลูกคนน้อยไว้บนฝั่งขณะที่อุ้มลูกคนโตข้ามแม่น้ำพอถึงฝั่งก็ให้ลูกคนโตรอที่ฝั่งแล้วกลับไปรับลูกคนเล็กถึงกลางแม่น้ำก็เห็นเหยี่ยวบินมาฉกเอาลูกคนเล็กไปนางเลยยกมือโบกและวตะโกนไล่เหยี่ยวแต่ช่วยลูกไม่ทันส่วนลูกชายคนโตเห็นแม่ยกมือขึ้น นึกวัาแม่ร้องเรียกก็กระโจนลงน้ำไปหาแม่เลยถูกกระแสน้ำพัดหายไปเป็นอันว่านางเสียลูกทั้งสองคนในช่วงเวลาไม่กี่นาทีเสียอกเสียใจมากแต่ความทุกข์ยังไม่ได้หยุดแค่นั้นเสียผัวแล้วเสียลูกแล้วพ่อกลับไปถึงบ้านก็พบว่าบ้านถูกฟ้าผ่าเกิดไฟไหม้ทั้งพ่อและแม่ถูกไฟครอกตาย ทรัพย์สินสูน์สิ้นหมดเลยเป็นลมฟื้นขึ้นมาก็กลายเป็นคนเสียสติเตินไปตามท้องถนนไม่มีจุดหมายภาพ่อหลุดลุย่ยจนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ ท, กทรงมีเมตตาเตือนสติว่าน้องหญิงจงกลับได้สติเถิดแล้วทรงปรอบโยนไม่ให้โศกเศร้าและสอนให้นางรู้จักทำตนให้เป็นที่พึ่งไม่หวังพึ่งใคร จะได้ไม่เสียน้ําตาอีกพอนางบรรเทาความโศกเศร้าพระองค์ก็แสดงธรรมอนางฟังจบก็บรรลุเป็นโสดาบันเลยทั้งหมดนี้กินเวลาไม่นานเลยนางก็เปลี่ยนจากคนบ้ามาเป็นอริยะบุคคลอันนี้เป็นเพราะแรงผลักจากความทุกข์แสนสาหาัสยามที่คนเราเจอความทุกข์ถ้ามีสติหรือฉุกคิดขึ้นได้ว่า ชีวิตนี้มันทุกข์เหลือเกินสังขาร น, นี้ไม่น่าเอาไม่น่ายึดเลยการปล่อยวางจากความยึดถือในตัวตนก็เกิดขึ้นได้ง่ายก็ทําให้บรรลุธรรมนี่ต้องเรียกว่าความทุกข์เป็นตัวหนุนส่งให้บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่งแม้ยังไม่ถึงขั้นพ้นทุกข์สิ้นเชิงเพราะยังไม่ถึงกับเป็นพระอรหรันต์ นางกีสาโคตมีก็เหมือนกันเจอความทุกข์มากลูกตายทั้งทั้งที่อายุไม่มากนางร้องไห้เศร้าโศกจนสติฟั่นเฟือนอุ้มศพลูกเดินไปเดินมาพบใครก็ถามว่ามียาช่วยให้ลูกฟื้นไหมในที่สุดก็มีคนแนะนําให้ไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามียารักษาแต่ให้นางไปห า, มาเมล็ดผักกาดมาหนึ่งกำมือ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเอามาจากบ้านที่ไม่มีใครตายเลยนางกีสาโคตมีดีใจไปทุกบ้านเลยในกรุงสาวัตถีเพื่อขอเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายทุกบ้านก็มีเมล็ดผักกาดแต่พอนางถามว่าบ้านนี้เคยมีคนตายไหมก็ได้คำตอบว่ามีคนตายทั้งนั้นเลยไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนตาย สมัยก่อนคนตายในบ้านไม่ได้ตายโรงพยาบาลอย่างในสมัยนี้ฉะนั้นทุกบ้านก็ต้องเคยมีคนตายแล้วทางนั้นนางกีซาโคตมีหาเท่าไหร่ก็ไม่พบบ้านที่ไม่เคยมีใครตายเลยจึงเริ่มมีสติได้คิดขึ้นมาว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นความตายไม่ได้เกิดกับลูกนางคนเดียวแต่เกิดกับทุกคน รวมทั้งนางด้วยนางจึงหายโศกเศร้าเอาศพลูกไปเผาแล้วเข้าไปหาพระพุทธองค์พระพุทธองค์เลยแสดงธรรมให้ฟังเป็นสรกทธรรมสั้นๆไม่กี่บรรทัดเกี่ยวกับเรื่องความตายว่าเป็นดุดกระแสะน้ำที่พัดพาชีวิตของผู้คนที่นอนหลับไหลพอแสดงธรรมเสร็จนางกีสาโคตมีก็บรรลุโสดาปฏิพัเป็นพระโสดาบันในทันที ทั้งๆ ท, ที่ก่อนหน้าไม่กี่ชั่วโมงยังเป็นคนบ้าอยู่เลยเหมือนกับนางปตาจาราซึ่งเป็นโสดาบันทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังฟั่นเฟือนฟูมไฟล์ถูกความทุกข์ท่วมทับกลุ่มรมไม่มีสติแต่พอเรียกสติกลับมาแล้วก็สอนทำให้ไม่นานเลยก็พ้นทุกไปได้6 0สถึงเจ็เปอร์เซน์ถ้าจะวัดเป็นปริมาณนี่จะเห็นได้ว่า ความทุกข์กับวิมุตตมันใกล้กันมากเลยคนที่ทุกข์กมากๆถ้าใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์หรือมีคนมาสกิดให้รู้จักความทุกข์จริงๆก็หลุดจากทุกข์ไปได้เลยมีบางท่านไม่ใช่เป็นแค่โสดาบันเท่านั้นแต่สามารถบรรลุถึงขั้นอรหั ต, ตผลเลยทั้งๆที่ยังเป็นคารวาสเช่นสัน ต, ติอามาตย์ คนนี้เป็นมหาอามาตย์ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลคราวหนึ่งปรับกระบทได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงปุลบําเนดให้ครองราชแทนพระองค์เจ็วันตลอดเจ็ดวันนั้นก็สนุกสนานเต็มที่ให้ผู้หญิงรูปร่างงดงามมาไา่รำตลอดเจ็ดวันสัน ต, ติอามาตย์ชมไปก็ดื่มสุราไปจนเมามา่เพราถึงวันที่7ผู้หญิงนักฟ้อนคนนั้น เนื่องจากไร้รำตลอดเจ็วันไม่ได้พักเลยจึงเหนื่อยถึงขั้นขาดใจตายสันตติอมัตตรู้เข้าก็หายเมาเป็นปลิดทิ้งเกิดความเศร้าโศกอย่างยิ่งจึงไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมเป็นสลกสั้นๆมีความว่าอย่ายึดมั่นในขันทั้งห้าสันตติอมัตตก็พิจารณาตามพอตรัสจบ ก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทันทีโดยที่ยังเป็นค า, ารวาสอยู่คนที่บรรลุอาหารหันต์ก่อนบวชมีไม่กี่คนมีคนเคยนับได้ประมาณ21คนนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ว่าความทุกนั้นสามารถผลักให้เราพ้นทุกได้ถ้ า, ากรู้จักใช้ความทุกนั้นให้เป็นประโยชน์คือเอาความทุกมาเป็นเครื่องสอนธรรมให้เกิดปัญญาไม่ใช่เจอทุก ออก็เอาแต่กลุ้มกรุ้มคนเราเจอความทุกข์แล้วกลุ่มความทุกข์นี่มันพยายามฉุดเราลงสู่ที่ต่ำแต่ถ้าเรามีสติและสามารถรู้จักมองความทุกข์ให้เป็นไม่ใช่ผู้เป็นแต่เป็นผู้เห็นถ้าเราเห็นความทุกข์จนกระจางแ ก, ก่ใจว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์นะอุปทานในขันดังห้านี่มันทาให้ทุกข์นะ ก็จะหลุดจากอำนาจของความทุกข์ได้เท่าที่ดูจากประวัติของพระสาวกทั้งพระเถระและพระเถรีในสมัยพุทธกาลส่วนใหญ่ก็ว่าได้ที่บรรลุธรรมด้วยความทุกข์หรือบรรลุธรรมได้ในขณะที่ยังไม่สั่งจากความทุกข์เลยหรือกําลังถูกทุกข์กรุมเร้าบางท่านก็เป็นภิกษุณีพิการทุกพลภาพตัวสั่นตลอดเวลา เวลาเดินไปบินทบาตต้องถือไม้เท้ากะย่องกะแย่งคราวหนึ่งได้ล้มลงขณะล้มก็เห็นโทษในสังขารร่างกายจิตก็เลยหลุดพ้นตรงนั้นความทุกข์นั้นมีประโยชน์คือมาสอนให้เห็นสัจธรรมความแก่ความเจ็บความชราสามารถสอนเราให้เห็นธรรมจนหลุดพ้นได้อย่างภิกษุณีท่านนี้จิตหลุดพ้นทั้งที่ยังไม่ลุกขึ้นมาเลย มีส่วนน้อยที่หลุดพ้นในสภาวะปกติธรรมดาส่วนใหญ่ต้องเจอความทุกข์มาซึ่งๆ่งหน้าหรื อ, อยังไม่ทันจะสั่งจากความทุกข์ความทุกนี้ด้านหนึ่งก็เหนี่ยวดึงคนให้หมุนวนอยู่ในวัฏฏสงสารเปลี่ยนไหยตายเกิดไม่จบไม่สิน้นบางทีก็ดึงสู่นรกอเวจีเลยเช่นโกรธอาฆาตพยาบาทขณะใกล้ตาย แต่ถ้าใช้ความทุกข์ให้เป็นความทุกข์ก็หนุนส่งให้เราพ้นจากแรงดึงของความทุกข์ได้ก็เหมือนกับแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงมันพยายามดึงทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในอำนาจของมันไม่มีอะไรที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้แต่ถ้าเราใช้แรงดึงดูดให้เป็นมันก็สามารถผลักให้หลุดออกไปจากแรงดึงดูดของมันได้อย่างนักบินอวกาศที่เดินทางไปยังดวงจันทร์ เขาก็ใช้แรงโน้มถ่วงนี้แหละตอนขาไปจะออกจากแรงดึงดูดของโลกเพื่อไปดวงจันทร์เขาก็จะบังคับยานอาวกาศให้หมุนวนรอบโลกด้วยความเร็วสูงจนเกิดแรงเวี่ยงแล้วก็ใช้แรงเวี่ยงผลักให้ยานอาวกาศหลุดออกไปจากโลกตรงไปยังดวงจันทร์แรงเวี่ยงนี้ก็เกิดจากแรงดึงดูดของโลกนั่นเองเวลาจะกลับมายังโลกเขาก็บังคับยานอาวกาศ หมุนวนรอบๆดวงจันทร์จนเกิดแรงเบี่ยงทำให้ยานอาวกาศหลุดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ได้นี่เรียกว่าใช้แรงดึงดูดของดวงจันทร์ในการผลักให้พ้นจากแรงดึงดูดของมันความทุกข์นี่ถ้าเราใช้ให้เป็นก็มีคุณมากเลยมันจะมีแรงผลักให้หลุดออกไปได้ถึงบอกว่าความทุกข์กับวิมุตตินี่มันใกล้กันมากฉะนั้น เวลาเราเจอความทุกข์เจอความทุกข์มากๆนี่อย่าไปกลุ่มกับมันทุกข์ไม่ได้มีไว้กลุ่มทุกข์มีไว้แก้ทุกข์มีไว้เพื่อให้เราหาทางหลุดทางรอดมันก็เหมือนกับทุกขเวทนาในชีวิตประจำวันเช่นความหิวธรรมชาติให้ความหิวมาก็เพื่อที่เราจะได้ขวนขวายหาอาหารมาใส่ท้องเวลาร่างกายขาดพลังงาน ก็ต้องมีความหิวเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนไปหาอาหารถ้าไม่มีความหิวเลยก็ย่อมไม่มีแรงกระตุ้นให้ไปหาอาหารก็อาจจะนิ่งแน่ตายไปเหมือนนาฬิกาหรือค่อยๆหมดแรงไปแต่ว่าธรรมชาติให้อาหารมาเพื่อผลักให้เราดิ้นรนขวนขวายหาอาหารชีวิตถึงจะได้อยู่รอดธรรมชาติให้ความเจ็บ เพื่อเราจะได้หลีกหนีจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เช่นเวลาเจอไฟธรรมชาติให้ความเจ็บมาให้ทุกขเวทนาเพื่อที่เราจะได้รู้จักดึงนิ้วออกจากไฟออกจากความร้อนคนที่ไม่มีทุกขเวทนาเวลาสัมผัสกับอันตรายนี่น่าสงสารมากไปเจอไฟเจอของมีคมก็ไม่รู้จักหนีเพราะไม่รู้สึกเจ็บอย่างคนที่เป็นโรคเรื้อน คนเป็นโรคเรื้อนเพราะอะไรเพราะประสาทที่รับรู้ความเจ็บปวดมันเสียไปเจออะไรมากระทบผิวหนังก็ไม่รู้สึกไม่เจ็บก็เลยใช้ร่างกายหรืออวัยวะบางส่วนอย่างสมบุกสมบันจนกระทั่งมันเสียไปเกิดแผลขึ้นมาแล้วก็ยังใช้มันต่อไปจนอาการหนักขึ้นหรือเมื่อมือถูกมีดเป็นแผลไม่รู้สึกเจ็บก็เลยไม่ดูแลรักษา ปล่อยให้มันถูกโน่นถูกนี่จนเป็นแผลใหญ่เวลานอนหนูมาแทก็ไม่รู้สึกก็ปล่อยให้มันแทกนิ้วก็เลยกุดไปเรื่อยๆเท้าก็เลยกดไปเรื่อยๆไม่รู้สึกเมื่อไม่รู้สึกเจ็บก็เลยไม่ดูแลไม่ยอมหลบหนีออกจากสิ่งคุกคามหรือสิ่งที่อันตรายไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นไฟไม่ว่าจะเป็นของมีคมหรือว่าสัตว์ อวัยวะก็เลยกุดไปทีละอย่างสองอย่างนี่เพราะไม่รู้สึกเจ็บฉะนั้นความเจ็บหรือความทุกข์มันมีประโยชน์มันทำให้เราหาทางหนีออกจากสิ่งที่เป็นอันตรายอันนี้เป็นเรื่องทุกขเวทนาทางกายซึ่งธรรมชาติให้มาเพาื่อเราหนีจากสิ่งกุามทางกายทุกขเวทนาทางใจก็เหมือนกัน ธรรมชาติให้มาเพื่อเราจะได้รู้จักหนีออกจากสิ่งที่คุกคามบันทอนจิตใจเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นเป็นอิสระแต่ทีนี้คนธรรมดาอาจจะไม่รู้จักวิธีหนีจึงต้องมีกาลยานามิตรมาช่วยเช่นมีครูบาอาจารย์มาเตือนสติแต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วแม้จะเป็นแค่ปริยัตเมื่อเจอความทุกข์กับตัว รู้จักเอาความรู้นี้มาใช้จัดการกับความทุกข์หรือจัดการกับตนเองก็สามารถดุดรอดจากความทุกข์ได้จริงๆคนเราสามารถดุดรอดได้โดยไม่ต้องเจอกับความทุกข์ก็ได้เพียงแค่มีคนมาสอนว่าชีวิตมันไม่เที่ยงความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นคนที่มีปัญญาพอมีคนมาบอกหรือพิจารณาเห็นจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนอื่น ก็หันมาเรียนรู้ฝึกฝนตนจนเผชิญกับความทุกข์ด้วยใจสงบไม่ทุรนทุรายแต่คนส่วนใหญ่แม้จะมีคนมาบอกก็ไม่ขวนขวายเพราะยังไม่รู้สึกเจ็บคือมีแค่ความรู้แต่ยังไม่รู้สึกต่อเมื่อรู้สึกเจ็บหรือเจอเข้ากับตัวถึงจะดิ้นรนขวนขวายถึงจะเข้าหาธรรมะฝึกฝนจริงจังคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ คือทำด้วยความรู้สึกไม่ใช่ทำด้วยความรู้เช่นพ่อแม่สอนลูกว่าให้ขยันขันแข็งนะจะเจริญชีวิตจะสุขสบายเด็กส่วนใหญ่ก็ยังไม่สนใจต่อเมื่อถูกพ่อแม่ลงโทษหรือถูกตีรู้สึกเจ็บจึงค่อยขยันขันแข็งหรือไม่พอโตขึ้นแล้วชีวิตเจอความยากลำบากเพราะเกียรติคันมาตลอดถึงตอนนั้น ถึงจะเริ่มขวนขวายทำมาหากินคนจำนวนมากจะเป็นอย่างนี้คือต้องเจอกับความทุกข์เสียก่อนถึงจะดิ้นรนขวนขวายใครๆก็รู้ว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นกับเราแต่เมื่อยังไม่เกิดเราก็ไม่สนใจที่จะเตรียมตัวต่อเมื่อเจอความตายของคนใกล้ตัวของญาติมิตรของเพื่อนหรือเห็นความตายต่อหน้าต่อ ต, อตาถึงจะขวนขวายดิ้นรน พระพุทธเจ้าเคยเปรียบไว้ว่าคนเรานี่เหมือนกับม้าม้ามีสี่ประเภทประเภทแรกแค่เห็นเงาประตักก็สํานึกตัวประเภทที่สองต้องถูกประตักแทงถึงขุมขนถึงสํานึกตัวประเภทที่สต้องถูกประตักแทงถึงหนังจึงสํานึกตัวประเภทสุดท้ายต้องถูกประตักแทงถึงกระดูกจึงสํานึกตัว อันนี้หมายถึงคนสีป่ประเภทประเภทแรกเพียงได้ยินว่าคนอื่นตายก็เกิดความสังเวชตั้งความเพียรฝึกฝนตนจนบรรลุ ธ, ธรรมประเภทที่สองต้องเห็นเองจึงเกิดความสังเวชเราเริ่มฝึกฝนตนประเภทที่สามต่อเมื่อญาดบิดของตนตายจึงทำความเพียรประเภทสุดท้าย ตัวเองได้รับทุกขเวทนาเจ็บปวดถึงค่อยขวนขวายฝึกฝนตนคนส่วนใหญ่ต้องเจอทุกข์กับตัวถึงค่อยหันมาสนใจธรรมะสนใจปฏิบัติถ้ายังสุขสบายอยู่ก็ไม่สนใจธรรมะเท่าไรมาวัดก็มาแค่ทําบุญให้ทานหรืออย่างมากก็รักษาศีลแต่ไม่สนใจลงมือปฏิบัติคนที่มาวัดส่วนใหญ่ก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร รู้ว่าชีวิตเป็นอนิจจังแต่ว่าไม่สนใจที่จะปฏิบัติให้พร้อมเผชิญกับความพลัดพรากความสูญเสียต่อเมื่อเจอความพลัดพรากสูญเสียเข้ากับตัวเกิดความทุกข์ถึงมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมคนที่มาปฏิบัติธรรมโดยไม่มีความทุกข์เลยนั้นมีน้อยส่วนใหญ่เจอความทุกข์กับตัวแล้วถึงมาเข้าวัดตอนที่มีความสุขก็รู้อยู่ว่า คนเราทุกคนต้องตายต้องทุกข์แต่ก็ไม่สนใจยังเลดเพลินสนุกสบายไปไม่ได้เตรียมตัวเผชิญรับกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นไม่เตรียมตัวเผชิญกับความตายที่จะเกิดขึ้นแต่พอประสบกับความรัดรากสูญเสียคนรักตายลูกตายเอาละตอนนี้ถึงได้มหาธรรมะมหาการปฏิบัติธรรม ความรู้ไม่ทำให้คนเราดิ้นรนขวนขวายเท่าไรต้องรู้สึกเสียก่อนถึงจะขยับความทุกข์มันมีประโยชน์ตรงนี้ทำให้คนเข้าหาธรรมะแต่คนที่มีปัญญาเขาไม่ต้องรอให้ความทุกข์มาเกิดกับตัวหรือคนใกล้ตัวเสียก่อนมันยังไม่ทันเกิดก็เตรียมตัวรับมือกับมันแล้วแต่คนส่วนใหญ่ต้องเจอความทุกข์กับตัวถึงจะเริ่มขยับขยื่น เกิดจากความหลับไหลและที่หลับไหลก็เพราะมีความสุขกับการนอนการเพลิดเพลินกับความสุขมันทําให้คนเราหลับไหลประมาทจะว่าไปแล้วความสุขนี้มันน่ากลัวกว่าความทุกข์มากคนที่จะวิมุตตุดพ้นขณะที่มีความสุขความเพลิดเพลินยินดีนี่หายยากมากมีน้อยมากแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้มีแต่คนที่ทุกข์ อย่างยสะเป็นลูกเศรษฐีแต่เบื่อหน่ายชีวิตเดินออกจากคาริหารกลางดึกเอาแต่พูดว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอพอมาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันเดียวก็บรรลุธรรมเลยคนที่บรรลุธรรมขณะกำลังเพลิดเพลินกับความสุขไม่มีเลยเท่าที่นึกออกมีพระสาวกบางท่าน เห็นหญิงงามฟ้อนรำอยู่ข้างหน้าแต่ท่านก็ไม่ได้เพลิดเพลินกลับพิจารณาว่าเป็นของน่าเกลียดจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็บรรลุธรรมเลยมีบางท่านที่บรรลุธรรมขณะกำลังผ่อนคลายอย่างพระอานนุ์หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานคณะสงฆ์จะทำสังายนาคณะสงฆ์ต้องการให้พระอานุนมาร่วมสังายนาด้วยเนื่องจากเป็นผู้ทรงจา ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้ามากแต่ท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์การสังคยาาครั้งนั้นมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่จะร่วมได้ตอนนั้นมีพระอรหันต์ที่มีกำหนดจะร่วมสังคยาา499รูปขาดอีกหนึ่งรูปโดยเหตุนี้พระนนจึงอุตรดมความเพียรอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ร่วมสังคยาาแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่บร ร, รถถลุอรหัตผล จนกระทั่งคืนสุดท้ายก่อนวันสังคายนาท่านรู้สึกเหนื่อยจากการปฏิบัติมากจึงหยุดพักผ่อนชั่วคราวขณะที่กำลังเอนนอนเท้ายังไม่ทันพ้นพื้นสีษะยังไม่ทันถึงหมอนท่านก็บรรุอรหัตผลแต่การบรรลุในลักษณะผ่อนคลายนี้รู้สึกจะมีน้อยส่วนใหญ่ต้องเจอกับความทุกข์ไม่มากก็น้อยและพอมีสติเห็นความทุกข์ ปัญญาก็เกิดเรียกว่าความทุกข์มันผลักให้หลุดจากอำนาจของวัตตดสงสารไปเลยความทุกข์ที่จริงมันมีประโยชน์มากกว่าความสุขได้ซ้ำสำหรับนักปฏิบัติธรรมความสุขต่างหากที่มันน่ากลัวมีนักปรชาชชาฝรั่งเศสชื่อวอลเตเขาบอกว่าขอให้พระเจ้าปกป้องข้าพระเจ้าจากจากอะไรรู้ไหม จากเพื่อนไม่ใช่จากศัตรูเขาขอให้พระเจ้าปกป้องเขาจากเพื่อนแทนที่จะปกป้องจากศัตรูทําไมก็เพราะศัตรูนี่ข้าพเจ้าคอยระวังอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนนี่ข้าพเจ้าไม่ค่อยระวังเท่าไหร่บางทีเพื่อนก็มาชวนทําในสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยคนเราง่ายที่จะทําตามเพื่อนอยู่แล้วโดยไม่ค่อยพิจารณาเท่าไหร่ ทั้งที่ความสุขมันน่ากลัวกว่าการมีกินมีใช้อย่างสุขสบายฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากอย่างพระเรานี้พระพุทธจเจ้าเตือนว่าให้ระวังลาบสักการะเพราะมันเป็นภัยต่อการประพฤติพรหมจรรย์ลาบสักการะดูเผินๆก็เหมือนเพื่อนเพราะทาให้เราสุขสบายใครๆก็อยากได้ลาบได้สักการะมีสิ่งเสร มีของอำนวยความสะดวกสบายใครๆก็ชอบแต่นี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวมากความทุกข์ความลำบากกลับไม่น่ากลัวเพราะมันมีคุณประโยชน์ที่สามารถทำให้เราเติบโตก้ า, ห า, า, ญญ า, าวาาหน้าในทางจิตวิญญาณได้ที่จริงไม่เฉพาะความก้าวหน้าในทางจิตวิญญาณเท่านั้นแม้แต่ความก้าวหน้าในทางวัตถุก็ต้องอาศัยความทุกข์ยากลาบากไม่น้อยอย่างประเทศยุโรป เขาขาดแคลนทรัพยากรต่างๆมากมายฝรั่งเวลามาเมืองไทยเขาเห็นประเทศเรามีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะเขาอิจฉาคนไทยที่สบายมีกินมีใช้ตลอดปีผิดกับเมืองฝรั่งที่ยากลำบากภูมิอากาศก็โหดร้ายในบางฤดูแต่เดี๋ยวนี้ประเทศเหล่านี้เขารุดหน้าไปแล้วส่วนเมืองไทยยังล้าหลัง เพราะเราไปเพลินกับความสุขสบายเพลินกับบุญเก่าเลยไม่สนใจสร้างทุนใหม่ขึ้นมาตอนนี้ก็เลยลำบากเพราะบุญเก่ากำลังจะหมดแล้วลองพิจารณาดูความสุขสบายมันมีโทษไม่น้อยเราต้องมองเสียใหม่ว่าความทุกข์มันมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วเราควรรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์และความสุขมันมีโทษอย่างไรบ้างที่เราควรระวัง และไม่ควรเข้าไปซ่องเสพหมกมุ่นกับมันมากเวลาจะเสพก็ต้องมีสติมีความระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าไปหลงตัวลืมตนเพราะมันทำให้หลงง่ายทำให้ประมาททาให้เสพติดได้ง่ายคนเราไม่ค่อยเสพติดความทุกข์เท่าไรแต่คนที่เสพติดความสุขมีเยอะมากเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เสียผู้เสียคนกันมากเพราะไปเสพติดความสุข เพราะไม่รู้จักระแวดระวังความสุขอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่ให้ดี